น้ำค้างมันหายมันหมดนะครับโอ้ยะต่อไปมันต้องมีคนไปไล่นกให้แล้วอะ <c oughs> มันมาล้องแข่งหวงพ่ออย่งังไงวอะอันนี้เขาเรียกนกกระลังภาษาภาคกลางว่านกกระลังภาษาทางอีสานว่านกโถนกโ ถ, กถหัวงอก มันจะหัวมันสี ข, า, ขาวขวมันหัวหัวงอกผมงอกตัวมันสีน้ำตาลน้ำตาลแต่ร้องเสียงดังอยู่เป็นหมู่นะ่ะนกเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสี่ต้องหกตัวถ้ามากกว่านั้นก็ประมาณสักสิบถ้ามากแล้วก็แตกกันอีกเหมือนกันนะแตกแยกสัมภาร์กันหายอยู่หากินไปคนละทางแต่เป็นอยู่เป็นกลุ่มนกเนี่ยแต่ฉลาดนะฉลาด คำว่ฉลาดคืออะไรเวลามันกินเป็นหมูมันไปเจอคนขึ้นมาตัวไหนเจอคนตัว น, นั้นจะร้องขึ้นมาทันทีพอร้องจะบินเลยว่างละหลบไปอยู่ให้ห่างพวกนกพวกอะไรทั้งหลายแหละแตกคือหมดนี่แหละนกกระรางนะอยู่ในป่านะมันจะมีนกสีสดำก็เล็กนกนกกระเซา แล้วกะ็กะรอกแล้วก็บพวกนกทั้งหลายเป็นกลุ่มของมันนะ่ะหากินเป็นฝูงอยู่ในป่าแต่ถ้าตัวไหนเห็นคนเนยมันจะร้องทันทีกรอกจะนอนกกเงียบในโรงงานแต่ไม่กระดุกกระดิอเพราะมันกลัวกลัวคนจะเห็นมันนะ่ะพวกนกนี่ก็แต่คือเป็นคนละทางถ้าปลอดภัยขึ้นมาละเออตัวหนึงก็ร้องจอกแกยกจอกแย่ขึ้นมา ه, ก็รอ ก, ก็เป็นตัวกระโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้กิ่งไม้เขยา่ากิ่งไม้เหมือนนใชพอมแมลงบินออกไปพวกนกกิกนมแมลงมนกนเนี่ยแหละมันอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเป็นหมู่แล้วก็รักษาความปลอดภัยพวกเหยี่ยวพวกอะไรจะมาเนี่ยตัวต่างตัวต่างเห็ น, นกันร้องกันละบอกกันเางือนกันใพอพวกนี้มันเป็นพวกอ่อนแอกว่า อ่อนแอกว่าพวกเหี่ยวถ้าเห็นพวกเหี่ยวพวกที่จะร้องบอกกันอันตรายมาันระเวอยพวกเราลบนะระวังนะต่างตัวก็ต่างเงียบตัวเล็กตัวน้อยไว้กันดักเนี่ยสัตว์ป่าถ้าเราอยู่ในป่าเราจะเห็นธรรมชาติสรุปแล้วก็คือต้องการความพร้อมเพียงสมคีกันเหมือนกันมันใช้เสียงให้เกิดประโยชน์ไวากันดักให้ใช้เสียงให้เกิดประโยชน์น แต่โดยมากคนเราเนี่ยถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์นะนะถ้าใช้ให้เกิดโทษมันก็เกิดโทษเสียงเนี่ยปากเนี่ยเหมือนกับนกน่มันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอาเอาใช้เสียงของมันเสียงอันไนเสียงเป็นพิษเป็นภัยมันก็บอกกันมันร้องจิตจงเจี๊ยบจ๊กถ้าร้องอย่างนั้นไปว่าเป็นพิษภัยแตกคือเป็นคนละทางมันรู้กันเะย เพอมันอยู่ด้วยกันแต่ทำมันร้องธรรมดาเสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาไปมันก็บบินต่างตัวต่างบินต่างหาอยู่หากินกันแต่ถ้าร้องเป็นพิษภัยมันจะร้องอีกแบบหนึ่งร้องขึ้นมาแบบถ้าเป็นเราก็ว่าเสียงดนตรีเสียงกล้าว่างนั้นแหะเสียงกล่าวบอกว่าแปลว่าเสียงในเสียงอันตรายลักษณะอย่างนั้นมือ น, นก็บเหมือนกับบอดหมออย่างนั้น ถ้าหวออันตรายนะเขาจะปีบให้เส okay. ok, ียงอีกแบบหนึ like, Together, ่งว่าะงถ้าหวอธรรมดาก็อีกอย่างหวอขอทางอีกแบบหนึ่งหวอันตรายนะเขาอีกแบบหนึ่งนกก็เหมือนกันนกเนี่ยอันตรายมันก็ร้องอีกแบบหนึ่งนกธรรมดาไปมันร้องอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยการของมนุษย์ก็เหมือนกันนันะนะปากเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่ง กายวาจาใจหลักของพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงมันออกมาจากใจก่อนถ้าใจคิดไม่ดีถ้าใจมีความอิจฉาพยาบาทจิตใจขุ่นขุ่ข้องหมองมัวจิตใจเต็มไปด้วยโทสะมันออกมามันก็ออกมาทางวาจาเอามันก็เฉิญคนนั้นเฉิญคนนี้ไม่เป็นมิตรกับใครถ้ามาออกมันออกมาทางราคะ มันก็หวานเยิมไปหมดมีแต่เกี่ยวพาลาสีมันออกไปทางราคะถ้ามันออกไปทางโทสะแล้วมันก็ออกไปทางเกี่ยวกลาดพูดอะไรไม่เข้าหูกับใครทั้งหมดนี่แหละมันออกมาจากใจด้วยกันใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจของเราจะทำยังไงจึงอบรมใจให้ใจมีเหตุมีผล อันไหนควรจะพูดยังไงอันไหนควรจะทำยังไงถ้าว่าใจมีเหตุมีผลแล้วจะรู้ได้ว่าควรจะพูดยังไงควรจะทำยังไงแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ไม่ได้รับการอบรมที่ดีการแสดงออกไปทางกายนะก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพูดออกไปทางวาจาก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อน การแสดงออกทางวาจาเนี่ยไม่ใช่พิษภัยธรรมดาเป็นอันตรายมากแล้วก็เป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองอีกต่างหากเหมือนกับมีดเนี่ยนะมีดเล่มนั้นอ่ะมันไปนฟันคนอื่นเมื่อฟันคนอื่นเขาจับได้เขาก็ใช้มีดเล่มนั้นละฟันฟันมาหาตัวเองอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาเนี่ยกรรมมุนีนาวัตตีโลโก สัตสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้การกระทากรรมทาได้สามทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมถ้าเรากระทำกรรมสิ่งไหนไม่ไม่ดีกรรมนั้นิกรรมนั้นจะตามสนองอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธกาลท่านได้พูดเกี่ยวกับ พระโมกคาลาท่านไปเห็นเปรตพระโมกคาลาไปเห็นเปรตที่ตีนเขาคิสกูด ต, ตีนเขาคิสกูดทุกวันในี้ใครไปกรุงราชคือเอมืองราชสักคืกรุงราชสักคก็คงจะขึ้นไปเที่ยวไปดูที่พระพุทธเจ้าประทับที่เขาคิสกูดแต่สมัยนั้นก็คงจะไม่มีถนนคอนกรีตขึ้นมาไปอย่างทุกวันนี้ก็มั้ง คงจะไปคงจะมีถ้าหรือเป็นที่พักของท่านแต่เป็นภูเขาไม่ชันมากนะเป็นที่เขาลดาดลาดแต่สมัยก่อนก็คงจะเป็นป่าดงพงพยเป็นต้นไม้ใหญ่ก็มั้งสมัยนั้นปรมางนั้นพระโมคคลาท่านไปพักที่เขาคิดจกูดกับพลักษณะ พระลักษณะเขาคงจะเป็นสหธรรมิกหรือว่าเป็นลูกศรริษย์ของท่านอนะพระโมกคลาไปที่ไหนโดยมากจะได้ยินชื่อพระลักษณะนะตามท่านไปตลอดตอนนี้พระโมกคลาท่านพักอยู่ที่เขาขิสกตูตอนเช้าท่านจะลงมาบินทบาทที่กรุงราชคฤห์ท่านเดินลงมาตีนเขาเอแต่ไม่รู้ว่า ม, มุมไหนเหมือนกันเถอะตีนเขามันยาวเลยตีนเขากีสกู วันนั้นพวกเราอยากจะรู้นั่งภาวานาดูก็ได้นะเลงเลงดูเปรตตัวนั้นมันยังอยู่หรือเปล่านะพระโมคคลา ล, ลงมาท่านเห็นเปรตท่านก็แย้มยิย้ย ม, มากันเนถะโอ้ทําไมเปรตตัวนี้ทําไมจึงใช้กลำ่ำหน้าทุเรลทุลังขนาดนี้นะเนยท่านเห็นนะโอ้ยิ้มกล่ำของสรระศัตรน้อเหมือนกันแต่ในพระลักษณะที่เดินตามหลังท่านมอง เห็นพระโมกคาลายิ้มพระลักษณะที่เดินตามหลังแลยกระถามท่านพระอาจารย์ครับท่านพระอาจารย์เห็นมีอะไรถึงจึงได้ยิ้ม อ, อใครเขาว่าการยิ้มของพระอารหันเนี่ยมันต้องมีเหตุสกัก่อนพระลักษณะกระถามพระอาจารย์ยิ้มแย้มเพราะเหตุอะไรหนอกระพบพระโมกคาลาก็บอกว่าเมื่อไปถึงสำนัก อืเมื่อไปถึงสำนักหรือไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าหรือนั่งเฉพาะพระพักนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าสะก่อนลักษณะอย่างงั้นอะ่ะอในเมื่อผมไปฉันยขานเสร็จแล้วไปกราบพระพุทธเจ้านั่งเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าสะก่อนท่านจึงถามเนี่ยผมจะเล่าให้ท่านฟังที่ผมเยี่มเนี่ยครับผมแต่นีนพระโมคคลากับพระลักษณะกับไปบิณทบาท จากนั้นก็ได้อาหารพอความเหมาะสมกับอัตภาพแล้วท่านก็มาฉันพอฉันเสร็จแล้วท่านไปเข้าไปกราบพระพุทธเจ้ากับพระลักษณะก็มีพระสงฆ์เข้าไปกราบหลายองค์เหมือนกันนะพอเข้าไปกราบเสร็จแล้วพวกวองค์ก็ให้โอววาดเสร็จแล้วก็เป็นช่วงโอกาสช่วงจังหวะพระลักษณะก็ได้ถาม ถมพระโมกคลาขึ้นว่าท่านโมกคลาครับที่ท่านเดินบินธบาตลงมาจากเขาคิจกูรมาถึงตีนเขาท่านได้ยิ้มแย้มกับผมก็ได้ถามท่านว่าท่านยิ้มแย้มเพราะเระเหตุอะไรครับท่านอาจารย์โมกคลาท่านก็ได้บอกว่าเมื่อไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าอยู่ใน เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าค่อยถามผมแต่บัดนี้พระท่านได้มาถึงสำนักพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็นั่งอยู่ตรงเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าแล้วก็ผมขอถามว่าท่านยิ้มแย้มแย้มด้วยเหตุอันไหนพระโมกขลาก็บอกรับผมเดินลงมาจากเขาขี้สกุลเห็นเปลือกตัวหนึ่ง แต่มันแปลกตัวของเขาเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ศีรษะของเขาเป็นหมูแต่หางออกจากปากแล้วก็มันเหมือนกับอุจจาะอุจจาะปัสสาวะใครเขาสิงสิงปฏิกูกลสกรปรอไหลออกจากปากแล้วก็ขณะที่ไหลออกจากปากมีพวกหนอน ไหลออกมาด้วยผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นหน้าทุเลต ท, ทุลังผมจึงได้เห็นเลยยิ้มโอ้รมสรรพสัตว์ทั้งหลายมีลากหลายจริงๆการใช้กคำของสรรพสัตว์เนี่ยเพราะการทํากล้ำของสรรพสัตว์นี่มีมากไมยหลายอย่างจริงๆครผมจึงได้ยิ้มแย้มที่ได้เห็นสิ่งนั้นพระพุทธองค์ที่นั่งเป็น ประธานที่นั่งอยู่ในที่นั่นพระพระุทธองค์บอกเออสาวกของเราเนี่ยผู้มีตาที่เป็นจักษุจักษุทิพย์เนี่ยยังมีอยู่หนอแต่เราได้เห็นเปรตตัวนี้ตั้งแต่ที่เราอยู่ที่โคลนต้นโพวันตรัสรู้วันเดือนหกเพนนะ์น่ะเราได้เห็นแต่วันนั้นแล้ว <c oughs> เรื่องเปรตที่ใช้ ร, รมเนี่ยเราเห็นแต่วันนั้นแล้ว แต่ยังมีสาวกของเรายังได้เป็นเหตุเห็นเป็นสัขีพยานเราอีกเนาะแต่เราจะพูดถ้าไม่มีสักขีพยานเราจะพูดให้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครเป็นสักขีพยานคนทั้งหลายก็จะไม่เชื่อแล้วก็จะเป็นบาปกล้ำสําหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพราะเขาไม่เพราะเขาไม่เชื่อนั้นเพราะฉะนั้นบัตรนิโบคลาได้เห็นแล้วเป็นสักขีพยาน พระสงฆ์ก็เลยว่ามันเป็นเรื่องอยังไงพระเจ้าค่าเปรตตัวนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นั่นก็อยากจะทราบกลับอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเราที่ว่าเปรตตัวนี้มันมีกล่ำอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าสมัยก่อนพระไอเปรตตัวนี้นะ่ะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะ คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่แต่มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนะในพัตกรรมที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์กกุจันโธกุกุสันโธโกณคขมโนกัจโปโคตโมอริยะเมตโยอริยะเมตโยยังไม่มาตรนะอันนี้หลักศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโคตโมเป็นองค์ที่สี่บางั้นนะ <c oughs> กัจโผลเป็นองค์ที่สามออ พระแต่พร ะ, พระกัจสโปเนี่ยพระพุทธเจ้ากัจจโปและกัสจปะเนี่ยอายุยืนสองหมื่นปีเป็นอายุไขแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุร้อยปีเป็นอายุไขแต่พระอริยเมตโยภาษีอานเนี่ยอายุแปดหมืนปีเป็นอายุไขอายุของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันนะบุญบารมีไม่เหมือนกันแต่พวกเราอยากจะทราบว่าเอา้าทาไมคน ถึงมีอายุมันต่างกันถึงขนาดนั้นแต่พวกเราคิดดูกันแล้วกันหมาในอายุเพียงสิบเ็ดสิบสองปีก็หมดอายุไขแล้วบัวควายนายุเพียงยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดปีตัวอายุยืนที่สุดก็30ามสิบปี เ, เป็นอายุไขแล้วเพราะมันเป็นอายุไขมันต่างกันถึงจะเป็นสัตว์เกิดมาในโลกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะมนุษย์ก็เหมือนกันแต่ละยุคเนี่ยมันไม่เหมือนกัน โครงสร้างไม่เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้ากัจจป่าอายุยืนอายุยืนถึงสองหมืนปีแต่ก็มีพระบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะมีมากเหมือนกันแต่ในมีมีพระอยู่สององค์มีพระอยู่สององค์บวชมาได้หกสิบพรรษาแล้วก็องค์หนึ่งห้าสิบ้าพรรษาแต่ว่าพระสององค์นี่ไปเห็นในชนบท ในหมู่บ้านก็เลยไปตั้งสํานักขึ้นมาพอตั้งสํานักขึ้นมาก็แนะนำสั่งสอนคนในถิ่นนั้นคนในถิ่นนั้นก็เคารพนับถือเลื่อมใส่พระสององค์แต่พระสององค์หนึ่งจะว่าพี่พี่กับน้องก็ใชัจะว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ใชัจะว่าเป็นเพื่อนสหธรรมมิตรมิตรที่สนิทสนมกันก้อยช่ยแปลว่าอยู่ด้วยการแบบอันเดียวกันเหมือนันอันหนึ่งหองค์หนืง 60พรรษาองค์หนึ่งหพรรษาอยู่ด้วยกันด้วยรัก <c oughs> เคารพเมตตากันอย่างมากเือนนเต่นี้ก็มีพระองค์หนึ่งทีเป็นพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกคือพระนักเทศเรียนเรียนทางฝ่ายประยัติรู้รมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากองคนี้เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมเหนกันเอ แล้วก็เดินทุโรงมาเหมือนกันมาเห็นพระสององค์อยู่ด้วยกันอยู่ในป่าพอเห็นแล้วก็ืออตรงนี้น่าอยู่ว่ะต่นนี้นก็พระสององค์เห็นพระพรธรรมก็ถือเข้ามาโอ้ท่านทร า, า, าบว่าท่านเป็นคงแก่เรียนผู้ท่านท่านได้รับการศึกษามาอย่างดีรู้ประยัดมากบอกเก่า ทำวินัยเรียกว่าหลักธรรมให้ผมพวกผมฟังโดยสิ้พรเอันนั้นก็นแสดงธรรมให้ฟังสององโอ้ดีเราได้ยินเราได้ทำมักระถึกะแล้วทีนี้ได้พระนักเทศมาแล้ว เ, เราจะถามอะไรท่านก็นตอบได้จากนั้นก็นพอใจพาปิบิณฑบาตในหมู่บ้านพาไปรู้จักญาติโยมในถิ่นนั้นนะในละแวกนั้นแต่พระองค์นี้เกิดความโลภขึ้นมาทีนี้ ถ้าเราไล่ไล่พระสององค์นี่หนีออกจากวัดสัเราอยู่ที่นี่คงจะสบายดีวะ่ะเพราะมันที่อยู่สบายแล้วก็ญาติโยมก็นับถือเลิ่อมใสได้ดีออาหารการบริโภคก็ไม่มีปัญหาถ้าเราพยายามไล่พระสององค์นี่หนีก็คงจะดีนะนั่นแหละกิเลสมันเกิดขึ้นมาได้นะความโลภลงไอจากนั้นก็วางแผนนะจ๊ะเนี่ย วางแผนให้พระสงฆองค์ทะเลาะกันยุ่แยงแทงให้รั่วงั้นะให้พระสงองค์ทะเลาะกันการเข้าไปหาเข้าไปหาอาจารย์ก่อนอาจารย์พระที่อายุพรรสมากหกสิบพรรษานะท่านอาจารย์ครับแต่ผมอยากจะพูดอะไรให้ท่านอาจารย์ฟังแต่ผมไม่พูดหรอกถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์ไม่สบายใจทำให้ท่านอาจารย์ทุกข์ใจ แต่ผมก็อยากจะพูดให้ท่านอาจารย์ฟังเหมือนกันทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเออก็พูดสิไม่มีอะไรผมพูดให้ผมฟังได้ไม่ละครับไม่พูดหรอกก็เดินไปหาพระอนุเทระที่เป็นอายุห้9ปีพันษาห9าพันษานะ่ยไปกับไปพูดกับองค์องค์นั้นอีกมั้ยท่านอาจารย์ครับผมก็อยากจะพูดมีอะไรที่จะพูดให้ท่านอาจารย์ฟังอยู่แต่ผมก็ไม่กล่าพูดกลัวท่านอาจารย์จะ ไม่สบายใจเออพูดเลยท่านไม่มีอะไรหรอกผมพร้อมที่จะฟังไม่หรอกครับเอาไว้ก่อนเมื่อมีโอกาสดีกว่านี้ผมจะพูดให้ฟังอะนี่แหละคนที่มันหาเรื่องนะมันเป็นอย่างนั้นนะจากนั้นพอพูดถึงสองสามครั้งไปหาอาจารย์ไ ป, ไปหาองค์นั้นไปหาองค์นี้ใครคาดว่าสามองค์หนึ่งเอ้มันเรื่องอะไรวะเพราะท่านอยู่ด้วยความสงบมาเนี่ย มันไม่มีเรื่องอย่างนี้แต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะพูดธนาะท่านนะองค์ใหญ่แล้ว่าพูดเลยท่านผมอยากจะฟังนะ่ะท่านมีอะไรวะมันเงื่อนงําอะไรครับพูดท่านงนะั้ผมขอโอกาสนะเนี่ยพระที่อยู่กับท่านเนี่ยพระอนุเถระเนี่ยพูดให้ท่านนะมโหพราเถระไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีทําอะไรทำเอาแต่ใจตัวเองใช้อํานาจวาสนาดูๆแล้วผม ผมโกรธสา ย, ยููไปอย่างนั้นล่ะผมเบื่อแล้วเกินอผมไม่อยากจะอยู่แต่ในใจของผมผมอยากจะหนีจนพอแรงแต่ที่ผมก็อยู่ไปอย่างนั้นละสรุปแล้วก็คือพระองค์นั้นไม่ได้เรื่องอนี่แหละองค์นั้นพูดให้ผมฟังอย่างนี้แหละท่านอาจารย์นี่ยเป็นความจริงนะเนี่ยท่านอาจารย์เป็นยังไงโอ้องค์ที่เป็นเทระเนี่ยครับท่านก็อยู่แบบสงบมาก่อนท่านก็ไม่เคยคิดมาก่อนท่านก็เป็น ถือว่าเป็นพระพระธรรมะถือคือท่านก็ถือว่าเป็นพระคงจะไม่โกหกถึงขนาดนี้นะเออแปลว่าใจของท่านแตกสะบั้นทันทีเลยว่างั้นนะ่ะเหมือนกับหม้อหม้อหมอดินแตกอย่างนั้นนะ่ะปุง้งเลยงั้นโทษเราก็ไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนทําไมพระอนุเทระที่อยู่ด้วยกันมาทั้งห้าสิบกว่าปีทําไมพูดขึ้นมาอย่างนี้ได้ แสดงว่าไม่ไว้ใจเราเลยเนะี่ยโอ้ทาไมท่านถึงพูดอย่างนี้เอเราไม่มีเจตนายอย่างนั้นแม้แต่หน่อยเดียวเลยทําไมท่านถึงคิดอย่างนี้ได้แต่นิพาวเนี้กับไปหาพระอนุเทราอีกนะท่านอนุเทระเนี่ยพระเทระเนี่ยอท่านบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยมาอยู่กับท่านเนี่ยท่านหนักใจมากเทําอะไรกับปั้มปั๊เปอรไม่ถูกกับกาลเทศะเลยน่าอดสูดูได้ พูดอย่างนั้นขึ้นมาใครเข้า่าไปแยงองค์นั้นอีกองค์นั้นก็เอา้าททำไมพระเทระเนี่ยอยู่ด้วยกันมาทั้งนมนานมีอะไรก็น่าจะบอกทำไมไปบอกให้พระทำมักระถึกฟังแสดงว่าท่านอาจารย์ไว้ใจพระทำมักระถึกมากกว่าเราได้ไหมเห็นพระมาอยู่เพียงไม่กี่วันแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจองค์นั้นมากกว่าเราท่านอาจารย์คิดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไง องนี้ก็แตกป้องอีกเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกับหม้อดินแตกอีกเออทนี้ก็คล้ายๆกับกระด้างกระเดืองเลยองเนี่ยอง์นั้นก็กระด้างกระเดืองเหมือนกันสององวันหนึ่งไปบินทบาทกลับมานะพอไปบินทบาทกลับมาองค์พระที่เป็นอายุพรรษาห้าสิบเก้าเนี่ยเ อ, อ๊ะเราจะเข้าไปรับบาดจีวรดีไหมวันนี้วะแต่ในใจของเราเราไม่ลงอ่ะอาจารย์พูดให้เราอย่างนี้ยนะ มันไม่ถูกต้องเลยเนะี่ยมันหาเรื่องอาจารย์หาเรื่องอย่างไงอย่างนี้เราไม่เห็นผิดที่ตรงไหนแต่ทำไมพูดอย่างนี้ได้แต่นี่ก็เข้าไปแบบกระด้างกระเดืองกระด้างกระเดืองอาจารย์ที่หกสิบพรรษาท่านก่อนท่านก็มองอยู่แล้ว่เห็นกระด้างกระเดือโอ้มันจริงอย่างที่พระทำมกักระถุกพูดเนี่ยว่าท่านกตวาดเลยท่านจะมารับบาตรจีวรผมนะท่านจะไปที่ไหนก็ไปท่านนี่ตัวไม่ดีเลย ทำไมพูดอย่างนั้นได้เต้เยก็พระนี่ยใช่ผมก็ท่านอาจารย์ก็พูดถึงผมเหมือนกันนะเออผลที่สุดก็เลยสององค์เกือบจะว่าไม่ได้ฉันอาหารในศาลาเลยวันนั้นวันกันเถ อ, เ, อเตรียมบวริขานไปคนละทิศคนละทางเลยวันนั้นเถอะคนหนึ่งออกทิศตะวันออกตกองค์งหนึ่งออกทิศตะวันออกงั้นเอเอะแปลว่าจะไม่เผาผีจี่กระดูกกันเลยว่าเหมือนสององค์เนะี่ย พระธรรมกถึกองค์นั้นก็เออประสบความสําเร็จออกไปอาจารย์พระเทระสององค์ออกไปแล้วเราก็อยู่วัดอะไรตัวเนี้ยนะตัวเนี้กับบินถวัตฉันไปสององค์นั่นนะ่ะตั้งแต่ออกไปเดินปินถวัตเดินออกไปคนละทิศละทางนะได้ร้อยปีเออได้ร้อยปีมันอายุถึงสองหมื่นปีเลยได้ร้อยปีมันก็นิดเดียวใช่ไหมเดินไปคนละทิศละทางได้ร้อยปี ในร้อยปีนั้นอนะ่ะไม่เคยคิดสนสาธยายมนเลยว่ากัเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้ท่องสวดมนพระเด่สนสวดพระปฏิโมกมาเลยมิมตรคิดในใจเทําไมพระเถระดูเราก็ปฏิบัติต่อพระเถระอย่างดีทําไมพระเถระจึงไปไว้ใจพระธรรมกัคคุไปพูดให้ฟังทําไมจึงดูถูกเราถึงขนาดนี้เราก็ไม่มีเจตนาอย่างนะั้นทําไมอาจารย์จึงพูดให้เราอย่างนี้ ทั้งฝ่ายที่เป็นอาจารย์หกสิบพรรษาเนี่ยเขาเอ๊ะทำไมในลูกน้องพระที่อยู่กับเราเหมือนกับวัยวะของเราแต่ทําไมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเราเลยทําไมไปไว้ใจพระธรรมกถัทถอแล้วก็พระธรรมกถึกมาพูดให้เราเราจึงเร่รู้ว่าในจิตใจของพระองค์นั้นเป็นยังไงทําไมทําอย่างนั้นได้องค์นี้ก็คิดอย่างนี้อีกเหมือนกัน ไม่ได้สาธยายนมนไม่ได้ท่องสวดมนไม่ได้ทำอะไรเลยว่างั้นเถอะในใจเนี่ยคิดแต่อย่างเดียวกันนะถึงร้อยปีวันหนึ่งได้มาเจอกันโดยบังเอิญว่างั้นเออะคงจะเป็นกิจที่มนอะไรก็ไม่รู้หรือสังประชุมอะไรก็ไม่รู้มาประชุมเดินมาพอองนี้ไปเห็นองค์ที่เป็นอาจารย์เก่าองคนี้ก็เห็นที่เป็นลูกน้องเก่าก็จำได้นะ พอเห็นกันแล้วก็เลยองค์ที่เป็นลูกน้องเนี่ย <c oughs> อายุห้าสิเก้าพรรษาเนี่ยแต่ได้มันกับป่าเข้าไปร้อยร้อยห้าสิบเก้าปีอะไรได้ไง <c oughs> พอไปเห็นเนี่ยก็ด้างกระเดื่องอีกเหมือนกันเอาอย่างไรก็เถอะเราก็อยู่กับท่านมานานแล้วเนี่ยเอเราอดใจเข้าไปหาท่านเพียงแค่นี้ไปได้เหรอนี่ยบังคับตัดใจคงตัวเองเว่างั้น่ะพอ่องเข้าไปกับน้ําตากับพรูออกมาจากตาอลไว่างั้นเถอะ ทั้งร้องไห้ด้วยว่างั้นเถอะไอ้ผู้นะ่ะตั้งร้อยปีมันค่อยๆเป็นทุกข์ขนาดนั้นนะ่ยทําให้คนอื่นคนอื่นยกยุแยงกันแทงให้รั่วเนี่ยแตกส้ำะคีกันเนะน่ะน้าตาพลูหน้าเข้าไปพออาจารย์พอพระรุ่นพี่ที่เห็นพระองค์นั้นน้ําตาพลูมาองค์นี้ก็น้ําตาพลูมาเพราะเป็นยังเป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่เนี่ย ย, ยังไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอริยะเนี่ยน้ําตาพลูหน้าก็เลย จับมือกันเน่ยทำไมทำไมอาจารย์จึงพูดให้ผมอย่างนี้เนะผมไม่มีเจตนาที่จะดูถูกอาจารย์เลยผมนมีแต่รักเคารพเหมือนกับพี่เหมือนกับพ่อเหมือนกับพี่เออทุกหญิงทุกอย่างผมยินดีทําทุกอย่างแต่ทําไมอาจารย์ถึงพูดให้ผมพูดอย่างไงพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระทำพระกรถิกพูดพูดว่าท่านอาจารย์พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะผมไม่ได้พูดนะท่านนะ เอาอะไรมาเนี่ยผมไม่เคยพูดแต่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้สาบานกันนะถ้าผมถ้าหากว่าผมไม่พูดผมให้ตกนรกกวีจีให้เป็นเปรเป็นผีพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ทํานะถ้ า, าว่าผููได้สาบบดสาบานอย่างนั้นน่ยปรับอบัตทุกกฎศินนี่เป็นเพียงพอแล้วสาหรับพระถ้าพระไม่มีศินแล้วก็หมดแล้วงั้นแ่เฮไม่เหมือนนักการเมืองนะ อนักการเมืองเนี่ยเมืองไทยของเราเนี่ยนู่นไปสาบบสาบานต่อหน้าพระแก้วว่างั้นแต่แต่นี่ไม่พุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ให้สาบบกันนะสาบบสาบานกันปรับอวัติทุ ก, กฎเพราะนั้นพวกพระให้จำเอาไว้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นขอให้ผมตกนรกอเวจี v G นี่ยไม่ได้นะเออเป็ดปรับอบัติทุ ก, กฎว่างั้นแต่ไม่ถูกนะศีล น, นี่ยแหละเป็นเครื่องประกันสําหรับพร ะ, ะแต่นี้ พระองค์นั้นก็พูดให้ฟังผมไม่ได้พูดแต่นี้พระเทรซก็บอกว่าผมก็เหมือนกันนะท่านผมไม่ได้พูดให้ท่านเลยนะแต่ทำไมพระองค์นั้นปัญหาเรื่องอย่างนี้โอ้ใช่กรรมหนักแล้วงั้นพระอนุพระทำมกถือองค์นั้นเนี่ยหาเรื่องใส่พวกเราเจาแล้วเทเนียวงั้นปะ่ะเราไปไล่หนีออกจากวัดฝหมือนั้นนี่พระสององค์ก็เลยรัก เมตตากันอย่างเก่าจึงรู้ได้รู้ได้ไปเขาหาเรื่องใส่นี่ร้อยปีแล้วงั้นแต่อายุถึงผางกันถึงร้อยปีอย่างนี้จากนั้นก็ไปด้วยกันพอไปไปเห็นพระองค์นั้นก็พระทามารมักึกเห็นสององค์เข้าไปออกมาตอนรับว่นงั้นแต่เห็นพระออกไปพระสององค์นั้นก็บอกท่านท่านไม่มีธรรมในใจท่านไม่มีการสํารวมกายวาจา ท่านเป็นผู้ไม่มีศีลหนีออกจากวัดเดี๋ยวนีว้เหมือนกันท่านไม่มีธรรมไม่มีศีลมีธรรมหนีออกจากวัดเดี๋ยวนีว้เหมือนกันท่านมันหาเรื่องเนี่ยเหมือนกันกว่าที่จะรู้ได้เนะเป็นร้อยปีแลว้วเหมือนกันพระพระทำมกระถุง่งนั้นก็ะจูวไม่ได้เหมือนกันหนีออกจากวัดอในเดี๋ยวนั้นเลว็วเหมือนกันแตขนบริหารหนีไปเลยพอนีไปแล้วยังไม่แล้วเนียแต่บาปกล่ำ ที่ตนได้ยุแยงให้พระเถระทะเลาะกันนะออกจากนั้นไปท่านบำเพ็ญบารมีเป็นพระอยู่ทั้งสองหมื่นปะีไม่สามารถที่จะคุ้มครองการกระทำความชั่วของตัวเองได้พอตายออกจากพระนะ่ะตกอเวจีจีมห า, ารกนะออกจากนารกขึ้นมาแล้วมาเกิดเป็นเปรต มาเกิดเป็นเปรตจุดตีนเขาคิสโกดนะตัวร่างกายเหมือนมนุษย์แต่หัวเป็นหมูหางออกจากปากแล้วก็สิ่งปฏิกูลเหมือนกับอุจจาระนะไหลออกจากปากแล้วก็มีหนอนไตยุวเยาะออกจากปากอีกต่างหากเพราะบาปกรับที่ว่าใช้วาจาไปในทางที่ไม่ถูกต้องอยุแยงให้พระสงฆ์ผู้มีศีลทะเลาะกัน เป็นบาปกรรมอันหนักนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาอะกตะตังลุกตตังเซย์อยู่ปัชชาตะปฏิลุก ต, ยยตะ ต, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเผาผ่านให้โทษเมื่อภายหลังนี่แหละหลักของพุทธศาสนาใครทํากรรมอันไหไว้ผปุถันต้องได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการ กระทำในการพูดเพราะว่าเมื่อเราทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่ไม่ไปไหนมันจะทอนย้อนกลับมาหาผูก้กระทามาหาผู้พู ด, พดมาหาผู้คิดนั่นหละเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนากลัมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพูดดีก็ได้ดีพูดชั่วก็ได้ชั่วคิดดีก็ได้ดีคิดชั่วก็ได้ชั่ว กรรมคือการกระทำไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่จะมาประทานให้พระทัพระเจ้าองค์ไหนก็ประทานให้ก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเราทํากรรมชั่วแล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าองค์ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนประทานให้ก็ไม่ได้ประทานความดีให้ก็ไม่ได้เพราะเราทํากรรมชั่วแล้วดิถ้าเราทํากรรมดีแล้วพระเจ้าองค์ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะประทานกรรมชั่วให้ก็ไม่ได้เพราะเราทํากรรมดีแล้ว เราทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั่นแหละสรุปแล้วก็คือกลัมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะนั้นอย่าไปทําในสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายทําแต่กลัมดีพูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีเอเมื่อเราทําดีพูดดีแล้วนั่นแหละไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราพูดไม่ดีทําไม่ดีก็อย่างพระองค์นั้นแหละ พ ร, ร, ระทำมกถึกองค์นั้น่ะเออไปอยู่ไม่กี่วันะไปยุแยงให้พระสององค์ทะเลาะกันนเกือบจะไม่เผาผีจีกระดูกกันหนีออกจากกันถึงร้อยปีอย่างนั้นเถอะร้อยปีจึงเจอกันแล้วจึงได้รู้ว่าพะ ร, ร, ระธทำมกถือองค์นั้นเป็นผู้ยุแยงให้พระพวกเราสององค์ทะเลาะกันอจึงได้จับเพจได้นั่นน่ะแต่กลามของพะระทำมกระถือองค์นั้นไง เมื่อทําไปแล้วก็นั่นแหละได้รับกลัมแสนสาหัสเหมือนกันอนะตกโรกหมกไหมเสร็จแล้วยังมาเป็นเปรตอีกแต่ไม่รู้ป่านนี้จะพ้นหรือเปล่าก็าไม่รู้นะพ้นจากการเป็นเปรตหรือเปล่าก็าไม่รู้เอนะทําพวกเราอยากอยู่รู้ ก, ก่อนนั่งภาวานาหลับตาดูก็ได้นะแต่ก็ดูตัวเองนะดีกว่านะดูตัวเองให้สํารวจว ด, ดูตัวเองว่าข้าพเจ้าคิดดีพูดดีทําดีหรือยังฮนะ น, น่ะอันนั้นดีเลิอดประเสริฐกว่าที่จะไปดูคนอื่นเขาถ้าดูคนอื่นแล้วไม่มีที่สิ้นสุดถ้าดูตัวเองน่ะจะมีที่สิ้นสุดนะยุติได้สิ่งไหนที่มันไม่ดียาทําทาแต่สิ่งที่ดีน ะ, นะอกะักตังทุกตังเสโยปชาตปติทุกตังฮะในโอวาทปติโมก น, นะที่ท่านสอนท่านบอกเอาไว้เพนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะ วันนี้ให้แนวความคิดจะยืดยาวเพื่อให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราการเป็นอยู่ยชีวิตประจำวันชีวิตในการเป็นนักพรตนักบวชนักพรตนักบวชก็ทำกรรมชั่วได้เหมือนกันน ะ, ะเห็นไหมพระก็ตกนรกได้นะนรกไม่ได้ยกเว้นพระน ะ, ะถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพร้อมที่จะไปสู่นรกได้เหมือนกันเพราะนั้นอย่าทำอย่าทาสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทาไม่ ถึงที่มันไม่ดีแล้วนะมันเ ด, เดือดร้อนตนเมื่อภายหลังอวันนี้รับพอรอนุมธนาให้พรนะที่นี้นะ